สมาคมไม่มามีสมาชิกเพิ่มแต่เดี๋ยวก็มากันเดี๋ยวตามกันมาไปช่วยเขาหน่อยนะให้กำลังไปพูดให้กำลังใจเขาหน่อยเอาธรรมะให้เขาความตายนี่เป็นของแน่นอนอตจะตายเมื่อไหร่มันไม่แน่นอนมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเราไม่ตายกัน เราต้องคิดว่าเราต้องตายแน่ๆเป็นไดร่ตงไม่รู้เมื่อไหร่นะต้องเตรียมตัวเหมือนกับขึ้นเครื่องบินรูว่าเครื่องบินมันจะตกไหก็ต้องเตรียมชูชีพไว้ถ้ามีร่มชูชีพเวลาเครื่องบินจะตกก็กระโดดได้กลางร่มสบายปลอดภัยนะถ้าไม่มีร่มชูชีพก็ต้องตกไปกับเครื่องนะ พระเจ้าสอนให้พวกเรามาซื้อชูชีพกันซื้อธรรมะกันมาเข้าหาธรรมะกันมาสร้างธรรมะแล้วใจเราจะมีชูชีพเวลาร่างกายเป็นลายใจเราก็จะไม่ต้องตายไปกับร่างกายเพราะใจเราไม่ได้ตายแต่เราคิดว่าเราตาย เพราะร่างกายตายถ้าเรามาแยกร่างกายออกจากใจได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายมันตายไปอันนี้เราทุกคนทำได้ไม่ยากเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้นักบวชก็ทำได้คู่คองเรือนก็ทำได้ มันเพียงอยู่ที่ความคิดของเราท่านั้นเองเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้มาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเป็นเพียงผู้ที่มาเป็นคนใช้ร่างกายนี้เป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแล้วเราก็เลยไป ไปพึ่งร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยเดือดร้อนตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนเราอย่ามาพึ่งร่างกายเลิกพึ่งร่างกายเลิกเลกอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่า ก, กินอย่าดื่มเพื่อความสุขอยา ก, กินอย่าดื่มกาแฟดื่มน้ำเปล่าด้วย น้ำปากนี้ร่างกายต้องมีถึงจะอยู่ต่อได้แต่ไม่มีกาแฟไม่มีเป๊ปซี่ไม่มีน้ําหวานน้าเปรี้ยวน้ําอะไรน้ําเบียร์น้ําเมาน้ำม่วงน้ำวายของพวกนี้ไม่ต้องมีไม่จําเป็นเราอาศัยร่างกายเพื่อจะเราจะได้ดื่มน้ําชนิดต่างๆ พอเดืมแล้วก็มีความสุขกันแต่พอดื่มมากๆน้ำตาลก็ขึ้นหมอก็บอกกินไม่ได้แล้วของหวานๆเพราะว่ว า, ม, ามันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้พอไม่ได้กินอย่างที่เคยได้กินก็ทุกข์ไม่สบายใจอน่าน้ำดื่มได้เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษ เราเลี้ยงร่างกายเรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงร่างกายก็ต้องเลี้ยงน้ำร่างกายมันไม่ต้องการน้ำกาแฟน้ำชาน้ำเป๊ปซี่น้าอะไรอันนั้นคือความอยากของใจอยากจะมีความสุขจากการดื่มน้ำที่มีรสชาติต่างๆพอดื่มแล้วก็ติดต้องดื่มอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ เวลาร่างกายดื่มไม่ได้ก็ทุกเวลาไม่มีร่างกายดื่มก็ทุกเนี่ยที่เราทุกกันเวลาที่เราเสียร่างกายนี้ก็เพราะว่าเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราเราเลิกหาความสุขทางร่างกายกันดีกว่าเปลี่ยนมาหาความสุขทางใจกันมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน ถ้าเราทำใจให้สงบเราก็จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายกินดื่มอะไรต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เราจะเสียร่างกายไปนี่คือวิธีแยกใจออกจากร่างกายคืออย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเรา ให้เราอาศัยธรรมะหาความสุขเนี่ยมืนก็ใช้ล้มชูชีพมีล้มชูชีพแล้วถ้าเรามีธรรมะให้ความสงบให้ความสุขกับเราได้เวลาร่างกายไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะความสุขที่เราได้จากธรรมะนี่มันดีกว่าปฏิบัติธรรมไปทําใจให้สงบ ใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะไม่หิวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆจะไม่หิวกับขนมนมเนยจะไม่หิวกับรูปต่างๆเสียงต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายพอไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้เราเดือดร้อนกันถ้าร่างกายเป็นอะไรไปนี้เราเดือดร้อนกัน ตาบอดไปนี้ก็เดือดร้อนนไม่สามารถดูอะไรได้ไม่ไม่สามารถหาความสุขทางตาได้หูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขทางเสียงได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็ไม่เดือดร้อนตาบอดเราก็ยังนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้หูหนวกเราก็ยังนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ ดีสิคุณผหนูบกตาบอดเนี่ยมันดนะีถ้าไม่ไปไหนมาไหนเนะียเพราะว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งก็มาจากทางตาทางหูนี่แหละเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องที่เราเห็นได้ยินเสียงก็ทุกข์กับเสียงที่เราได้ยินใครดา่าเราหน่อยนี่ทุกขนะ์ไพอได้ยินเสียงดา่าขึ้นมานี่สุขหรือทุกข์กถ้าหูหนวก็สบายไม่รู้เรื่องเขาดา่ายังไง ถ้าตามบอดก็ไม่เห็นท่าทีเขาเขาจะแสดงท่าทีก่อนแย่เขี่ยวใสเราเราก็มองไม่เห็นด่าเราเราก็ไม่ได้ยินสบายจะสบายก็ต้องสามารถมีความสุขทางใจนาใจให้สงบถ้ามีความสุขทางใจแล้วก็ไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกาย จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ที่ทุกข์กันก็เพราะเรายังพึ่งร่างกายอยัอยงอยากให้ร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้หาความสุขทางร่างกายได้อย่างเต็มร้อยคนหนุ่มสาวนี่หาความสุขได้เต็มร้อยคนแก่นี่ไม่เต็มร้อยแล้วคนแก่เริ่มไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหูตาไม่ค่อยดี หาความสุขได้บ้างแต่ยังไม่เต็มร้อยนะ่ะมันจะค่อยๆหมดไปตามกำลังของร่างกายคนเจ็บนี่ก็หาไม่ได้ชั่วคราวเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยนี่ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปเที่ยวไม่มีอารมณ์ที่อยากจะดูอยากจะฟังอะไรอยากจะหายอย่างเดียวอยากจะให้ร่างกายหายอย่างเดียว มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายหายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ามีความสงบนี้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสงบมีความสุขเหมือนตอนที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความสุขใจไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสุขเหมือนเดิมนี่แหละ พวกเรากําลังหาความสุขผิดที่กันแต่ความสุขจากร่างกายกันอย่างนี้เนี่ยจะพูดบางทีร่างกายมันก็บอกว่าพูดไม่ได้มีอะไรไปสํารักลำคอยอยู่แต่ใจก็ถ้าไม่ได้ต้องใช้มันก็ไม่เดือดร้อนพูดได้ก็พูดไม่พูดไม่ได้ก็ไม่พูดก็เท่านั้นอันนี้คือ ปัญหาของพวกเราเราตอนนี้ไปยึดไปติดกับร่างกายเอาฝากฝังความสุขความเป็นความตายไว้กับร่างกายพอร่างกายตายมันก็เลยทุกไปกับร่างกายทุกไปกับความตายของร่างกายถ้าเราไม่ฝากเป็นฝากตายไว้กับร่างกายเราจะไม่ทุกข์กับมันร่างกายจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนเหมือนกับถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ต้องใช้คนรับใช้เนี่ยจะมีคนรับใช้หรือไม่มีคนรับใช้เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราต้องมีคนรับใช้ไว้กวาดบ้านถูบ้านเช็ดถูเก็บเก็บอะไรต่างๆพ อ, อวันดีคืนดีคนรับใช้ลาออกเดือดร้อนเลยทำเองไม่เป็นหรือขี้เกียจทาก็ต้องวุ่นหากับคนรับใช้คนใหม่มารับใช้เรา ร่างกายเรานี่ก็เป็นคนรับใช้ของใจเราดีๆนี่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินคา น, นี้ม mm hmm. ใจเป็นนายเราเป็นนายของร่างกายแต่เราเป็นหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย mm hmm. เราคิดว่าใจกับร่างกายนี่เป็นอันเดียวกันคนเดียวกันแต่ความจริงแล้วเป็นสองคนสองคนใจคนหนึ่งร่างกายคนหนึ่ง ใจนี่มีความสามารถที่จะหาความสุขได้สองทางทางร่างกายก็ได้ทางใจก็ได้แต่ไม่รู้จักหาทางร่างทางใจกันรูแต่วิธีหาความสุขทางร่างกายกัน mm hmm. ก็เลยต้องพึ่งร่างกายต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้เป็นอะไรไปก็กลัวกันทุกข์กันแล้วแต่พอร่างกายตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่มาทุกข์ใหม่ ไปเกิดใหม่เนี่ยพ่ยังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆยังอยากดูอยากฟังอยากลิ่มรสนมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายสัมผัสสิ่งที่เราแตะต้องด้วยร่างกายสัมผัสเนื้อหนังของคนอื่นสัมผัสอากาศเย็นอากาศร้อนสัมผัสอะไรต่างๆ สัมผัสความรู้สึกต่างๆความรู้สึกทางร่างกายก็มีสามมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์แต่เรานี่อยากจะได้แต่ความสุขทางร่างกายพอเจอความทุกข์ทางร่างกายก็เดือดร้อนกันไม่อยากได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากได้เพราะสัมผัสกับความทุกข์ของร่างกายนั่นเองอยากจะสัมผัสแต่ความสุขของร่างกาย สัมผัสความสุขจากที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดีเช่นเวลาเข้าไปในห้อง ป, ปรับอากาศนี่เย็นสบายชอบสัมผัสแบบนั้นพอต้องไปสัมผัสกับอากาศร้อนก็ไม่ไหวถ้าไปสัมผัสกับของแข็งก็ไม่ชอบใครเอาใครเอาไม้เลียวมาตีก้นนี่ก็ไม่ชอบแต่ถ้าใครเอามือมาลูบ ก, ก็ชอบ เาชอบของแข็งชอบของนุ่มอันนี้ก็เรียกว่าสัมผัสมีความสุขจากการสัมผัสของสิ่งต่างๆกับทางร่างกายเราก็เลยต้องมีร่างกายให้ความสุขกับเราตอร่างกายตายก็เดือดร้อนกันเวลาก่อนจะตายนี้ก็เดือดร้อนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แวลาเป็นอมภพุกอมภาเนี่เดือดร้อนกันละไม่สามารถใช้ร่างกายสั่งให้มันทํานู่นทํานี่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเรามีคนใช้แล้วก็เป็นอมภพุกอมภาา่าเรายังจะจ้างเขารึเปล่าจ้างเขาก็กไม่ทํางานให้เรามีแต่เอาเงินเดือนเนี่ <c oughs> เราก็ต้องเปลี่ยนคนนับใช้ใหม่ <c oughs> หาคนใหม่เนี่ย <c oughs> คนที่เป็นอมภพุกอมภ่ า, าก็อยากจะฆ่าตัวตาย จะได้ไปมีร่างกายอันใหม่เปลี่ยนคนรับใช้ใหม่แต่ฆ่าร่างกายนี่มันผิดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันเป็นบาปฆ่าแล้วมันก็ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกก่อน <ME, c oughs> ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ต่อ رك. แต่ถ้าฆ่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่น <c oughs> ก็ต้องไปติดคุกติดตารางก่อน <c oughs> ไปใช้บาปก่อนนี่คือทำไมเราถึงไม่ต้องไม่ควรจะฆ่าตัวตายเพราะว่าฆ่าแล้วมันใจยังต้องไปติดไปใช้กรรมต่อไปใช้บาปต่อไปตกนรก <c oughs> And, พยายามอย่าพึ่งร่างกายพยายามลดเปลี่ยน เปลี่ยนเปนที่พึ่งอันใหม่มาพึ่งธรรมงสระนังกระฉามิพึ่งธรร ม, รรรมร ะ, ม ธ, รรมะธรรมะนี่จะเป็นเหมือนร่มชูชีพที่เราทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเรามีร่มชูชีพเวลาเครื่องบินจะตกนี้เราก็กระโดดออกจากเครื่องได้กลางร่มชูชีพลงมากับพื้นดินอย่างปลอดภัย <c oughs> เรื่องของร่างกายมันต้องตายความตายของร่างกายนี้แน่นอนแต่จะตายเมื่อไหร่มันไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าจะเป็นวันนี้หรือเป็นพรุ่งนี้หรืออีกสิบปีข้างหน้าหรือยี่สิบปีข้างหน้าไม่มีใครรู้แต่ที่แน่นอนต้องตายแน่ๆตายก่อนตายหลังตายเร็วตายช้า ให้คิดอย่างนี้มันจะได้เห็นโทษของการที่เราต้องมาพึ่งร่างกายกันเราจะได้มาเปลี่ยนที่พึ่งกันอย่าไปพึ่งร่างกายมาพึ่งใจดีกว่าพึ่งธรรมะดีกว่าเนีย่ยมาถือศีลแปเนี่ยเรียกว่าเริ่มมาพึ่งธรรมะแนละ้วถือศีลแปดทำไมจะได้เลิกใช้ร่างกายคนถือศีลแปนี่ใช้ร่างกายหลับนอนกับแฟนไม่ได้นะใช้ร่างกายกินข้าวเย็ยนไม่ได้นะ าความสุขจากการกินข้าวเย็ยนไม่ได้นะใช้ร่างกายไปเที่ยวไม่ได้นะใช้ร่างกายไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้นะแต่งตัวให้ร่างกายก็ไม่ได้นะนอนมากนอนสบายสบายก็ไม่ไดนะ้ไม่ให้นอนสบายจะได้ไม่นอนมากเอจยัยหจะได้เอาเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจกันสร้างธรรมะกันที่ให้ถือศีลแปดนี้เราจะได้ ไม่ไม่จะเอาร่างกายไปใช้ทางานาไปหาความสุขต่างๆทางร่างกายให้เอาร่างกายนี้มาสร้างธรรมะกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้แหละเรากำลังมาสร้างธรรมะกันสร้างความสุขทางใจกันพอใจมีความสงบแล้วก็มีความสุข ทีนี้จะรู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่ไ้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ร่างกายก็เฉพาะช่วงใหม่ๆใช้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้แบบเป็นที่พึ่งมันใช้มันพาไปนั่งเฉยๆให้มันนั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธินี่ก็ไม่ได้ใช้ร่างกายละปล่อยให้ร่างกายนั่งเฉยๆไปแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปใจก็เย็นใจก็จะสงบ ใจก็จะมีความสุขพอมันสุขแล้วมันก็ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับกาแฟไม่หิวกับขนมนมเนยไม่กิวไม่หิวกับอาหารเย็นคนที่ไม่เคย อ, อยู่วัดคิดว่าพอมาอยู่วัดแล้วไม่ได้กินข้าวเย็นนี้จะทระมานแต่กับไม่ทรมานเพราะว่าพอมาอยู่วัดเขาก็ให้กินธรรมะแทน ที่หิวนี่ไม่ใช่ร่างกาย <c oughs> ร่างกายมันมีสเสบียงมากเกินไปเสียได้ซ้าไป <c oughs> บางคนนี่ไม่กินสักสิบวันก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> เพราะสะสมอาหารไม่เยอะแล้ว <c oughs> สะสมไม่ได้ร่างกายไขมันนี่เป็นอาหารพอไม่กินมันก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> ที่มันหิวมันไม่ใช่ร่างกายที่หิวก็คือใจแต่เราไม่ให้อาหารใจเรากลับไปให้อาหารร่างกาย ราการมันก็เลยพองขึ้นมา yeah. เวลาหิวนี่ต้องให้อาหารใจใจต้องการความสงบพ อ, อทําใจให้สงบแล้วหายหิวพ อ, อนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไปลืมเรื่องหิวข้าวไปเลยพอไม่ไปคิดถึงเรื่องหิวข้าวพอมัวแต่คิดอยู่กับบทสวดมนต์มันก็เลยไม่ทุกเวลามาอยู่วัดแต่ถ้าอยู่บ้านมันไม่ได้ล่ะ อยู่บ้านถ้าไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิเดี๋ยวเห็นเขากินข้าวเย็นขึ้นมาก็ทนไม่ไหวแนละ้วนี่คือเรื่องของใจที่ไปหลงหาความสุขทางร่างกายแล้วก็เลยต้องมาทุกข์มากังวลกับเรื่องของร่างกายกลัวร่างกายแก่กลัวร่างกายเจ็บใกล้ได้ป่วยกลัวร่างกายตายกลัวยังไงก็ห้ามมันไม่อยู่ห้ามมันไม่ได้ ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันจะต้องเป็นไปตามเวลาของมันดังั้นตอนนี้เรามีเวลาเราตอนนี้มาหัดหาที่พึ่งอันใหม่กันมาหาความสุขทางใจกันโดยการถือศีลแปดพอเราถือศีลแปดแล้วเราจะมีเวลามาเจริญสติสติก็เป็นธรรมะอันหนึ่ง สตินี้มีไว้เพื่อให้นั่งสมาธิแล้วใจจะสงบใจสงบก็เรียกว่าสมาธินะสติกับสมาธินคนละตัวนะสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วนั่งเฉยๆใจก็จะสงบสงบก็เรียกว่าสมาธิภาษาไทยนี่เราเราเรียกผิดกันเราใช้คำว่าสมาธิแทนคำว่าสติ วันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยความจริงความหมายคือไม่มีสติอยู่กับการทำงานใจลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอะไรต่างๆใจไม่มีสติอยู่ ก, การทำงานแต่ทางโลกเราใช้คำว่าสมาธิแทนสติเราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิคือคิดว่าสติเป็นสมาธิเราก็เลยไม่รู้ว่า มีสมาธิหรือไม่มีเป็นสมาธิเป็นอย่างไรสมาธินี้ต้องนั่งเฉยๆน้องหลับตาแล้วจิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายเหลือแต่ใจยอยู่ตามลาพังอยู่รุวนๆสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อน สติจะเป็นตัวดึงใจให้เข้าไปในสมาธิตอนนี้กิเลสมันดึงใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันถึงทำให้หิวพอกิเลสดึงออกมาดึงใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นพออยากแล้วก็ไม่สบายใจใจก็กระวลกวายก็สับก็สาย งดหยิบนำคาญใจเลยต้องไปทําตามความอยากพอได้ทําตามความอยากแล้วความงดหยิบนาคาญใจก็หายไปชั่วคราวอยากกินกาแฟนี่ถ้าไม่ได้กินมันก็จะหงดหยิบนาคาญใจพอได้กินกาแฟเสร็จแล้วสบายความงดหยิบหายไปแต่หายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากกาแฟขึ้นมาใหม่วความหงดหยิดก็โผล่ขึ้นมาใหม่ วิธีที่จะทำให้เราแก้ปัญหานี้ก็คืออย่าไปกินกาแฟเวลามันอยากกินไปนั่งสมาธิแทนไปกินสมาธิแทนทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟแล้วความอยากดื่มกาแฟมันก็จะอ่อนกำลังลงไปทุกครั้งที่มันอยากดื่มกาแฟเราก็ไปนั่งสมาธิ เราทำอย่างนี้ได้ต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็จะไม่มาไม่โผล่ขึ้นมาเราก็สบายไม่ต้องมีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนไม่มีกาแฟดื่มก็ไม่เดือดร้อนเรามีสมาธิที่มีรสชาติดีกว่ากาแฟรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงจำไว้เนี่ ย, ยรสแห่งธรรมคือรสของสมาธินี่แหละรสของความสงบเนี่ย นัตติสันติพรังสุขขังไม่มีอะไรความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเราให้เงินได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็สู้ได้สมาธิไม่ได้ความสุขการกันเหมือนฟ้ากับดินคอนที่มีความสุขจากทางทางสมาธิแล้วจึงไม่อยากมีเงินทองสละราชสมบัติพระพุทธเจ้าใช่ไห มีเงินทองม า, าเฮรษฐีพอได้ความสงบแล้วทิ้งหมดเลยสมบัติเข้าของเงินทองไปหาสมาธิกันดีกว่าดีกว่าหาเงินหาทองเพราะความสุขทางเงินทองนี่มันมีทั้งความทุกข์แถมมาด้วย <Okay. S 1> มีความกังวลพอมีเงินต้องต้องกังวลจะไปเก็บไว้ที่ไหนดี <Okay. S 1> จะไปซ่อนไว้ที่ไหนดี <Okay. S 1> แล้วเวลาตายเอาไปจะาไปได้หรือเปล่า <Okay. S 1> ก็าไปไม่ได้ก็เสียดาย จะให้ใครดีไปก่อนจะตายก็มานั่งปวดหัวคิดอีกความสุขทางเงินทองมันมีทุกข์ตามมาความสุขทางร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ตามมาพอเดี๋ยวมันจะต้องมีการพัดพรากจากกันเวลาร่างกายตายไปนี้ต้องทิ้งหมดเลยรับสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆที่หามาได้แทบเป็นแทบตา ย, เ, ยเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว แต่ความสุขทางใจนี้เอาไปได้หมดเลยความสุขทางสมาธินี้ติดอยู่กับใจไปกับใจใจวิวที่ไหนมันก็ไปกับใจความสุขของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับความสุขที่ท่านได้จากการปฏิบัติธรรมจากการตัดสรู้ใจของท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความอยากจะมีร่างกาย ไม่มีความอยากใช้ตาหูจม uk, ูกลิ้นกายก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนพวกเราพวกเรานี้ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาเกิดอีกเพราะยังอยากใช้ร่างกายยังอยากใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไว้ดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ย่อมกลับมาเกิดอย่างนี้มาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบ ถ้าเราไม่มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเราต้องมาหาความสุขทางใจมาทำใจให้สงบใจสงบได้ต้องมีสติสติก็คือการหยุดความคิดเบร k ถ้าหยุดความคิดไม่ได้สแสดงว่าเราไม่มีเบร k เราไม่มีสติดงนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องติดเบรกติดสติสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็คือเนี่ยสวดมนต์การสวดมนต์นี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาแต่ต้องสวดแบบไม่คิดอะไรนะไม่ใช่สวดไปแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงแฟนต้องอยู่กับสวดมนต์อย่างเดียวสวดเอตีปิโสก็ต้องอยู่กับเอตีปิโสไม่ใช่เอตีปิโสไป ท, ที่ปากแต่ใจไปที่บ้านนะอย่างนี้ถ้าสวดแบบนี้ก็ไม่มีสติอยู่ดีต้องอยู่กับเอตปิโสอย่างเดียว มีทิพยสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจรณสัมปันโนสุขะโตเนี่ยให้ อ, อยู่อย่างนี้ไปอยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วใจจะมีสติใจจะหยุดความคิดได้ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงทรัพย์สมบัติเก้าขอเงินทองไม่คิดถึงแฟนไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงเจ้านี่ไม่คิดถึงศัตรูไม่คิดถึงลูกนี่ไม่คิดถึงใครทั้งนั้น คิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วมันอยากอย่าไปคิดมันถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์หยุดมันถ้าสวดมนต์มันเหนื่อยก็เอาสั้นๆก็ได้พุทโธคําเดียวก็ได้ถ้าพุทโธเหนื่อยก็มาเฝ้าดูร่างกายเราก็ได้ตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ก็อยู่เฝ้าดูมันไปเฝ้าดูร่างกายมันกําลังเดินก็เฝ้าดูมันเดิน ดูมันเดินอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นมันอาบน้ำก็ดูมันอาบน้ำไปมันล้างหน้าแปรงฟันก็ดูมันไปมันกินข้าวก็ดูมันไปป้อนข้าวให้มันตักข้าวให้มันอยู่กับการกินข้าวอย่าไปกินข้าวแล้วก็ไปคิดถึงถเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องคนนั้นคนนี้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องของร่างกายเฝ้าดูร่างกายก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้านั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปคิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรแล้วใจจะเบาใจจะสบายแต่ยังไม่เป็นสมาธิเต็มที่เป็นสมาธิเสี้ยวหนึ่งถ้าเป็นพระอาจารย์ก็เหมือน เลื่อนขึ้นหนึ่งค่ำแล้วมีแล้วมีแสงขึ้นมาเสี้ยวหนึ่งละสองค่าก็มากขึ้นสมค่าก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ฝึกสติก็จะได้ความสงบความเบา อ, อกเบาใจแต่ยังไม่สงบเต็มร้อยจะให้สงบเต็มน้อยต้องนั่งเฉยๆนั่งกายต้องนิ่งก่อนถ้าร่างกายไม่นิ่งใจมันนิ่งไม่ได้เพราะใจจะต้องควบคุมร่างกายต้องคอยเฝ้าดูร่างกายต้องใช้ร่างกาย ให้เดินให้ทำอะไรต่างๆตอนนั้นก็ต้องใช้ความคิดแล้วต้องการหยุดความคิดก็ต้องหยุดร่างกายก่อนให้ร่างกายนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องสั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ต้องใช้ความคิดสั่งเป็นพอไม่ต้องคิดแล้วถ้ามันยังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้มันมาดูลมหายใจให้เฝ้าดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันคิดให้คิดอยู่กับเรื่องลมหายใจ ดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้าเฝ้าดูมันอย่างนี้ไปไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็วุบลงไปตกหนุมตกบ่อลงไปแล้วก็นิ่งสงบสบายตอนนั้นมันหยุดคิดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กับพุโทโธไม่ต้องใช้ดูลมมันจะหยุดของมันตอนนั้นเราก็มีสติดูใช้สติดูมันได้นะ แล้วใช้สติประครับประคองไว้เวลามันสงบมันนิ่งอย่าไปคิดทางปัญญาอย่าไปวิปัสสนายัางไม่ใช่เวลาเวลาสงบนี้ต้องการให้มันสงบนานๆเพราะมันเป็นความสุขเป็นการฉาติแบดให้กับจิตใจให้จิตใจมีพลัง <c oughs> มีพลังหยุดเวลาออกจากสมาธิจะได้มีพลังหยุดกิเลสได้เยอะๆพลังสตินี่แหละพลังอุเบกขา พอออกมาจากสมาธิถ้านั่งอยู่สมาธินานๆนี้ใจจะอิ่มใจจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังเฉยๆอยู่แต่มันก็จะค่อยๆจางไปออกมาสักพักใหญ่ๆเนียวความอิ่มก็จะหมดไปพออิ่มหมดไปพอคิดถึงรูปคิดถึงขนมนมเนยหรือเห็นขนมนมเนยที่น้ำลายไหลเลยอยากกินลถ้าอยากกินก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ เพราะที่อยากไม่ใช่ร่างกายที่อยากคือใจต้องให้อาหารใจคือให้ความสงบใหม่กลับไปนั่งสมาธิใหม่ขั้นแรกนี้ต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญให้อยู่ได้นานๆให้เข้าได้บ่อยๆให้เข้าได้ทั้งวันทั้งคืนให้มันเก่งทางสมาธิก่อนถ้าเราเก่งทางสมาธิจิตมีพลังมากแล้วทีนี้เราค่อยออกมาทางปัญญา ถ้ า, ถาเรา met, มีสมาธิ Logic, มีกำลังควบคุมความคิดได้เราก็จะสั่งให้ใจคิดไปในทางปัญญาได้ถ้าเรามีสมาไม่มีสมาธิเราสั่งให้ใจคิดไปในทางปัญญาไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายนี่มันไม่ยอมคิดเพราะกิเลสมันมีกำลังมากกว่ากิเลสมันจะคิดจะอยู่อย่างเดียวมันไม่อยากตายมันไม่ต้องการให้ร่างกายตายพอไม่คิดถึงความตายเราก็เราจะไม่เตรียมตัว ไม่รู้ว่าเรากำลังพึ่งร่างกายอยู่หรือเปล่าถ้าเราพึ่งร่างกายเราก็จะได้ปล่อยมันอย่าไปพึ่งมันถ้าเป็นคนรับใช้ก็เลิกจ้างมันให้มันกลับบ้าน <c oughs> อย่าไปจ้างมันอย่าไปใช้มันเพราะเรามีสมาธิเรามีความสุขเราหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขอกิเลตจะมาหลอกให้เราไปใช้ร่างกายหาความสุขเราก็หยุดได้ พอเราหยุดกิเลสได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสก็จะหายไปหายไปหมดใจเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีกิเลสก็จะไม่มีใครมาดึงให้มากลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีความอยากใช้ร่างกายอีกแล้วมีความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากทางร่างกายความสุขทางร่างกายมันมีความทุกข์แถมมาด้วยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแถมมาด้วยแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสุขที่ได้จากใจก็ไม่มีวันหมดนี่แหละคือความวิเศษของความสุขทางใจที่เราไม่รู้จักกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปความจริงอันนี้แล้วมาเผยแผ่มาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็จะหาความสุขแบบเดิมอยู่เนี่ยอาศัยร่างกายหาความสุขดูหนังฟังเพลงกินขนมนมเนยเดิมเครื่องเดิมต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปมีแฟนไปมีลูกกันแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่จะต้องพัดพาคจากกันเวลาที่จะต้องสูญเสีย เวลาที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ไม่เข็ดตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่รู้ว่ากลับมาเกิดเพราะอะไรรู้เพียงแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องหาความสุขก็ต้องหาความสุขทางร่างกายเพราะเป็นความสุขที่ทุกคนรู้จักกันไม่มีใครรู้จักความสุขทางใจกันนอกจากไปเจอนักบวชหรือไปเจอพระพุทธเจ้าเนั้นเน่เขาถึงจะถึงจะรู้ว่า มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะพวกนักบวชเนี่ยพวกที่ถือศีลแปบบพวกที่ไปอยู่วัดไปไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งนะถ้าได้เจอพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเลือกหาความสุขทางร่างกายนะพวกที่ตอนต้นก็บวชชั่วคราวก่อนลองไปเชลชวนชิมก่อนนะไปลองชิมดูก่อนชิมรสแห่งธําว่าชนะรสทางปวงหรือเปล่านะ พอทีมแล้วติดใจให้ดีกว่ารถทั้งปวงก็เลยบวชบวชถาวรเลยไม่เสึกเลยนตรงนี้แสดงว่าเขาสามารถเปลี่ยนที่พึ่งทางทางร่างกายมาเป็นที่พึ่งทางใจได้นะตรงนี้เวลาแก่เจ็บตายเขาไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เขาทำใจได้เขาไม่เดือดร้อนแก่ก็แก่เกป็นผมหัวผมขาวเขาก็ไม่ไปย้อมให้มันเสียเวลา หนังเหี่ยวหนังย่นก็ไม่ไปดึงให้มันเสียเวลาอยู่กับมันตามความความเป็นจริงของมันไปเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วร่างกายจะไม่สวยจะไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องการมีแฟนอยู่แล้วคนเราที่ต้องการให้ร่างกายสวยเพจะได้ให้มีคนเขาชอบเราใช่ไ้ยเขาชอบเราเขาจะได้มาเป็นแฟนเราเท่า น, นั้นแหละถ้าหน้าเหี่ยว้งหน้าเหี่ยวหน้าย่น ผมเงาผมผมไม่สวยแล้วใครใจอยากจะมาเป็นแฟนเราพวกที่เขาบวชกันเขาก็เลยโกนศรีรษะ mm hmm. เขาไม่สนใจใครจะมาชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาไม่อยากให้ใครมาชอบ mm hmm. เขาอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่ต้องมีไม่ต้องมีปัญหากับใครมีแฟนอย่าไปคิดว่ามีความสุขอย่างเดียวนะ มีคมับมีแฟนเดี๋ยวก็ต้องทุกขกับแฟนใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกัน mm hmm. เขาไม่เอากเอาใจเราก็เสียใจแลลว mm hmm. เอาแอบไปมีหนูที่ไหนก็เดือดร้อนเ mm hmm. นี่ยปัญหาต่างๆจะตามมาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขความสุขทางร่างกายมันมีความทุกข์ตามมาเสมอ mm hmm. <c oughs> มีบินต้องจ่ายเหมือนกับไปซื้อของด้วยบัตรเครดิต เวลาซื้อของบัตรเครดิตนี่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยโอ้ได้ของมาเยอะแยะช้อปปินน้งมีขนมาเต็มบ้านเลยเดี๋ยวบินมาสิเดือ <c oughs> นเดือ น, นโอ้โหจ่ายไม่ขนาดนี้เช่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> เวลาซื้อนี่ไม่รู้สึกนะว่าว่าใช้ไปเท่าไหร่แต่มันรู้สึกตอนที่เขาส่งบินมาปลายปลายเดือนนี่โอ้โหซื้อมาได้ขนาดนี้เช่ยวหรอแล้วจา้างเงินที่ไหนมาจ่ายเขาเนี่ย นี่แหละความทุกข์ตามมาถ้าเราใช้ความสุขทางร่างกายหาความสุขทางร่างกายเราต้องจ่ายบินมีบินตามมาบินมีหลายรูปแบบเนี่ยได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวของมันเสื่อมมันเสียไปก็ <c oughs> ก็ทุกข์ละได้อะไรมามันหายไปก็ทุกข์ละ <c oughs> มันมีแต่ความทุกข์ตามมาความสุขเดียวเดียวเป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขม หวานเวเดียวอมใหม่ๆก็หวานเ อ, อน้ําตาลบางๆที่เคลือบอยู่ละลายไปที่นี้ก็จะมีแต่ยาขมให้อมอมอมก็เกินไม่เข้าคลายไม่ออกมีแฟนแล้วก็พอขมแล้วก็จะอยากกันนี้ก็อยากไม่ได้จะเลิกกันก็เลิกไม่ได้จะอยู่กันอย่างมีความสุขมันก็ไม่สุขแล้วเรยกว่าเกินไม่เข้าคลายไม่ออกก็ท่องทู่ซีอยู่กันไปจนก่อนจะตายจากกันไป ด้วยขมขมหวานๆบางวันก็ขมบางวันก็หวานอ่นนี้แหละคือความสุขทางร่างกายที่เรากำลังหากันอยู่ <Yeah. S 1> เพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องรู้จักความสุขทางใจกัน <Yeah. S 1> ตอนนี้เราได้ได้มาได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุขทางใจแล้ว <Yeah. S 1> เราลองมาหาความสุขทางใจกันดู หาวันว่างๆสักวันสองวันถือศีลแปกันแล้วก็พยายามควบคุมใจด้วยสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธไปให้เฝ้าดูร่างกายไปหรือให้สวดมนต์ไปทำให้มีสติขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็ลืมไปหมด มีหนี้สินเท่าไหร่ก็ลืมไปหมดความทุกข์ที่ได้จากการมีหนี้สินก็หายไปหมดพอสมบัติก็หายไปหมดพอไม่คิดถึงเงินทองเข้าของมันก็หายไปหมดมันอยู่ในใจอยู่ที่ความคิดเราท่านะ ต, ตอนนี้ของที่บ้านมันมีอยู่หรือไม่อยู่เราก็ไม่รู้เลยแต่เราไปคิดว่ามันมีอยู่มันก็ยังเราก็อยู่แต่กลับไปขโมยมันอาจจะขึ้นบ้านขนไปหมดแล้วก็ได้งนั้นอย่าไปคิดอะไร ไม่คิดจะดีกว่าคิดทําใจให้สงบทําใจให้ว่างถ้าจะคิดก็คิดเรื่องจําเป็นถึงเวลากินข้าวถึงเวลาอาบน้ําถึงเวลาทําหน้าที่อะไรก็ทําไปอโดยคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วไปกังวลกับอะไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สมบัติก็เอาไปไม่ได้หนี้ก็เอาไปไม่ได้คนมีดีนีคนมีห น, น, นี้ก็โชคดีได้กําไรตายไปก็ไม่ต้องใช้หนี้ คนมีทรัพย์สมบัติก็ขาดทุนเวลาตายไปต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติมามีหนี้กันดีกว่าไหมเวลาตายไปจะได้กําไรไม่ต้องใช้หนี้ถ้ามีสมบัติก็จะต้องอเสียสมบัติไปหมดเสียทรัพย์สมบัติไปหมดไอ้เกิดแบบนี้แล้วมันก็จะไม่อยากมีทรัพย์สมบัติจะไม่มีไม่อยากจะมีอะไรมีก็ทุกมีหนี้ก็ทุก มันจะสบายก็ตอนตายเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ตายก็ทุกข์ต้องคอยหลงจ้องนี่อยู่เรื่อยนี่คือความสุขทางร่างกายจะต้องมีความทุกข์แปลกๆหลากหลายชนิดเข้ามาให้เราทุกข์กันถ้าเรามาความสุขทางใจแล้วมันไม่มีความทุกข์ตามมามันมีแต่ความทุกข์ตอนต้นะเพราะจะต้องมาอดข้าวเย็นอต้องมาอดเที่ยวอดอดอะไรเยอะแยะไปหมดอดหลับ อดนอนกับสามีภรรยาอดนอนบนฟูกนาๆเตียงใหญ่ๆไอ้นอนบนพื้นแข็งๆเตียงเล็กๆ <c oughs> นี่คือความทุกทางใจก่อนที่เราจะได้ความสุขทางใจทุกต้นแล้วสุขปลายดีกว่าความสุขทางร่างกายสุขต้นแล้วทุกปลายสุขตอนต้นแล้วก็มาทุกตอนปลายแต่ถ้าความสุขทางใจนี่ทุกตอนต้น ทุกเพราะต้องมาอยู่แบบทุกข์ยากลาบากอยู่แบบสมถาฐะเรียบง่ายไม่มีอะไรแต่ถ้าอยู่ชินแล้วมันจะสบาย <c oughs> มันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไอ้คนที่ไม่กินข้าวเย็นได้กับคนที่ไม่กินข้าวเย็นไม่ได้นี่ใครสบายกว่ากันถึงเวลเราตกเย็นคนที่ต้องกินข้าวเย็นนี่หิ ว, แ, วแต่คนที่ไม่ต้องกินข้าวเย็นนี่ก็สบายเฉยๆไม่เดือดร้อน คนที่ต้องนอนกับแฟนกับคนที่ไม่ต้องนอนกับแฟนนี่ใครสบายกว่ากันถ้าไม่มีแฟนนอนก็นอนไม่หลับแล้วต้องหาหมอนข้างมานอนแทน น, นี่แหละคือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ต้องมีความอดทนมีความกล้าหาญถึงจะเข้าหาได้เพราะต้องฟันฝ่าความทุกข์มาถือศีลแปดนี่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้า ง, ง่ายนี่คงจะถือกันทุกวันแล้วใช่ไหม ปีหนึ่งจะถือสีลไปกันสักกี่วันเหมือนปีนภูเขาเอมเวลาไปเที่ยวนี้เหมือนเดินลงเขาพรุ่เดียวไปถึงที่นะอณะนั่งสมาธินี่ก่อนจะสงบนี้โอ๊ยเงือแข้งเลยพุทโธพุทโธจนเมื่อยเลยมันยังไม่ยอมสงบสักทีสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์อีกพุทโธแล้วก็พุทโธอีกมันก็ยังไม่สงบ มันก็ยังแอบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่นมันถึงไม่สงบถ้าสามารถควบคุมไม่ให้มันอาจไปคิดได้เลยเนี่นั่งสมาธิหนาทีสิบนาทีก็สงบแล้วแ <c oughs> สดงว่ามีสติมากควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ใหม่ๆ ม, มันยังหยุดไม่ได้ใหม่ๆเป็นเวลาสร้างเบรกกันเวลาที่เรากําลังสร้างเบรกแล้วเราเหยียบเบรกนี่มันยังหยุดไม่ได้หรอกเพราะเบรกยังไม่มีกําลังเต็มที่ สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆต่อไปเบรกมันก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเหยียบปับเดียวหยุดเลยต่อไปพุทโธสองคำนั่นนะความคิดหายไปหมดเลยใจสงบความทุกข์หายไปหมดเลยความโลภหายไปหมดเลยความโกรธหายไปหมดเวลาโกรธใครพุทโธสองคำหายเลยหายโกรธเวลากลัวอะไรพุทโธสองคำสามคำหายกลัวเลย แสดงว่ามีสติมากหยุดความกลัวได้หยุดความโกรธได้หยุดความโลภได้ถ้ามีสติแบบนั้นรับสบายไม่ทุกข์แล้วต่อไปนีอยากจะนั่งสมาธิอยากจะมีความสุขทางใจไม่อยากจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่ต้องพึ่งร่างกายแนระ่างกายจะเป็นจะตายก็เท่ากัน ก็ยไม่เดือดร้อนตายก็ตายเจ็บก็เจ็บแก่ก็แก่ก็เท่านั้นเองใจไม่ต้องพึ่งร่างกายใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขได้ทางจากทางร่างกายเลือกหาความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางใจดีกว่าเหมือนกัรได้ซื้อรถเบนซ์แล้วรถโตโยต้าก็ไม่ขับยกให้คนอื่นได้กานใหม่คนแฟนเก่าก็ยกให้คนอื่นเขาไปได้ ความสุขทางใจเนี่ยเป็นเหมือนแฟนใหม่เป็นเหมือนรถเบนซ์เนี่ยพอได้แฟนใหม่ได้รถเบนซ์ใหม่คันเก่าใครอยากจะได้ก็ยกให้เขาไปมันจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้ายังไม่ได้รถใหม่ไม่ได้แฟนใหม่นี่ต้องหวงรถเก่าแฟนเก่าไว้ก่อนนะเพราะยังไงก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมเราถึงหวงร่างกายกันตอนนี้เพราะเรายังไม่มีความสุขทางใจกัน ยังไม่มีธรรมะไม่มีธรรมังสรารนังกระฉามีกันเราเลยต้องอาศัยร่างกายสรารนังกระฉามีไปก่อนถือร่างกายเป็นสณะเป็นที่พึ่งพอพึ่งมันไม่ได้ก็ทุกข์กันเดือดร้อนกันเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจกันตอนนี้เราโชคดีชาตินี้ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ที่จะสอนให้เราหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปฉะนั้นขอให้พวกเรารีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาโดยการมาวัดบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลแปดมาถือศีลแปดกันบ่อยๆมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิก <ño> ันเอาแล้วนะรู้สึกร่างกายมันบอกพ่อแล้วอยาจะจารย์มุทนาให้พอนิยัทาวาเรกวาฮาปุราปริปุเรนติสาคาระเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปัฏจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตุ สัพเพบริ่งตุสังกะปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิตะ นิจังวุธาปจายโนจาตารโรธรร ม, มวัานติอายุวันโนสุขังภาลาง<ม>ังเดี๋ยวต้องพักเดี๋ยวมันแทนที่เยาทางจมูกมันมันลงไปในคำข อ, ขอแทนมันก็เลยไปไปติด ท, ที่หลอดลมมันเลยต้องทำให้อายออกถ้อมันออกพูดมันก็พูดไม่ได้ หยุดละใครอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้มีคำถามอะไรอยากจะรู้อะยหยิบหนังสือซีดีได้ประวัติพระอาจารย์นี่น่าอ่านนะอ่านแล้ววางไม่ลงมีเรื่องราวมีธรรมะสอดแจรกอยู่ตลอดเวลาวันนี้ทา้งเฟ e b ุ o กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุดสี่ร้อยเก้าคนค่ะ ยูทูบ97ค่ะ97มากกว่าวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์300กว่า50 60ยูทูบมีต่างชาติเข้ามาไหมตอนนี้ยังไม่มีนะแล้วเป็นยังไงเพื่อนที่สามีเขาเสียรู้จักกันหรือเปล่าค่ะโอมดเดียวกันแล้วสิเจนนีอ่อ่าอืมก็ไม่คาดฝันเลยนะ เหมือนกันเลยนะแบบมาแบบสายฟ้ารบเลยอยู่ๆก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนหลับไม่ตื่นไปเลยก็เรียกว่าหลายตา ย, ย่านี้แลต่อไปก็เปิดแทนครับได้นะเปิดเฟซเปิดเปิดเฟบุ๊กขึ้นมาชมลมแม่มาเดี๋ยวต่อไปก็มาฟังเทศฟังธรรมกันนะ เมื่อก่อนไม่มาเลยตอนนี้มันจะเห็นคุณค่าของธรรมละนะเพราะอะไรก็ช่วยดับความทุกข์ใจไม่ได้อันนี้ใจมันไม่รับอะไรทั้งนั้นแม้แต่ทำรรมากมันก็รับไม่ได้ตอนนี้มันอยากจะได้ของที่เสียไปคืนมาอย่างเดียวเนะี่ยิ์ของความอยากมันมันมันแผงฤทธิ์ให้เราเห็นอันเนี่ยที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากอยากให้ของที่เรารักที่เราสูญเสียไป ไม่จากเราไปอยากให้กลับมาอยากให้เป็นเหมือนเดิมอยากให้เป็นไม่อยากไม่ให้เป็นอนิจจังแต่มันเป็นอนิจจังมันไปแล้วไปไม่มีวันกลับนะเห็นพระที่พระที่พระเขาตั้งสวดไม่มีอยู่สีอันหลับไม่ตื่นไปไม่กลับหลับหลับไม่ตื่นไปไม่กลับฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยอันนี้คติเตื่นใจเวลาไป งานศพเนี่ยพระท่านฉลาท่านรู้ว่ายอโยมไม่ยอมฟังพระเทศก็เลยเขียนติดติว้ที่ตาลปัดดีกว่าตัวอย่างญาติโยมต้องเห็นแน่แน่ไปไม่กลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจำมาไว้นี่คือร่างกายที่จะต้องเป็นด้วยกันทุกคนแต่กันยิงไปแล้วกลับแต่กลับมาอีกร่างหนึ่งฮไม่ใช่ร่างเก่า พวกเรากลับมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดือดร่างที่ไม่รู้กี่ล้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างนี้หมดก็กลับมาได้ใหม่กลับมาร่างใหม่อีกเหมือนเปนลี่ยนรถเนี่ยพอรถเก่าพังไปก็เดี๋ยวก็ซื้อรถใหม่มาขับอีก <c oughs> คนขับคนเดิมแต่รถเปลี่ยนร่างกายใหม่แต่ใจใจคนเดิมใจที่ยังมีโลคโกิดหลงใจที่ยังรักยังชังยังกลัวยังหลงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ถ้าไม่เหมือนเดิมก็ไม่กลับมาใจของพรธเจ้าไม่เหมือนเดิมใจของพระเจ้าตัดความโลภความอยากได้ตัดความรักความชังความกลัวความหลงได้ก็เลยไม่ต้องกลับมาไม่ต้องเปลี่ยนนัดเพราะไม่ต้องใช้นละเลิกใช้ลถเลิกใช้ร่างกายมีคำถามว่าเข้ามาเลยอ่ะได้เชิญพอดีจะถามพระอาจารย์ที่เคยมีโอกาสมากรา แล้วหนูไปถามพระอาจารย์ไปว่าหนูหนูบ้าไหมที่เวลาหนูเจอใครอ่ะค่ะหนูก็จะคิดว่าเดี๋ยวคนนี้เขาต้องตายนะผู้หญิงคนนี้ต้องตายผู้ชายคนนี้ต้องตายแล้วพระอาจารย์ก็บอกหนูว่าหนูไม่ได้บ้าแต่หนูต้องคิดว่าหนูก็ต้องตายด้วยออแล้วพอดีเมื่อสามเดือนก่อนนะค่ะพ่อหนูป่วยหนักต้องอยู่ไอซอยูแล้วระหว่างนั้นหนูก็ได้แค่คิดถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์สอนว่า เราเราต้องฝึกว่าวันหนึ่งเราต้องขึ้นเหมือนขึ้นชกมวยอ่ะคะ<อ>่ะเพราะวันหนึ่งเราต้องเจอสถานาการณ์จริงใช่แล้วพอถึงวันนั้นหนูก็พยายามคิดแค่ก็แค่พุดโธได้อย่างเดียวอะคะ่ะ<อ>ให้มันนิ่งแต่พอวันนั้นพ่อหนูออกจากโรงพยาบาลได้แต่ก็ยังไม่ได้หายถึงขั้นปกติแล้วหนูก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงมันต้องถึงวันนั้นแน่ๆอะค่ะวันที่ไม่พ้น<อ>หนูก็เลยจะถามว่าหนูจะต้องคิดยังไงให้ใจหนูยอมรับได้จริงๆอคะค่ะ ก็คือตอนนี้มันยอมรับได้ถึงเรื่องความตายแค่ว่าพอคิดแล้ใจหนูไม่ได้แบบเสียวแป๊บจากที่มันอก่อเสียวแป๊บปะค่ะอตอนนี้มันแค่แบบรู้สึกวิววิวหนูก็เลยอยากจะขอวิธีว่าหนูจะคิดยังไง ใ, ให้ยอมรับได้จริงจิงแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะคือหนูยอมรับได้แล้วแต่กิเลสในใจมันไม่ยอมรับหนูต้องทําสมาธิกดกำกดกิเลสไว้เวลานั่งสมาธิแล้วกิเลสมันจะไม่มีกําลัง มันมันจะไม่มาทำให้เราไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับก็คือกิเลสเราย่อเราอยากจะรับแต่แต่กิเลสมันยังมันยังมีกําลังอยู่เราต้องมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบเต็มที่เลยมานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธถ้าจิตรวมเป็นสมาธิสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาตอนนั้นมันจะรับมันจะรับความจริงได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยยังตอนนี้ขาดสมาธิ ปัญญาเรามีกันเยอะแยะแล้วรู้แล้วตายแน่นอนทุกคนต้องตาย <Yeah. S 1> หรือถ้าจะมองทางปัญญาที่อาจจะทาให้เรารับได้ก็คือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่เรที่ตายไปนี่คือตุ๊กตาที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แยกยกตัวเราออกจากร่างกายได้เห็นว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตา ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็อาจจะทำใจได้ก็ได้ก็มีสองวิธีถ้ามองให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราแต่จะเห็นชัดเจนจริงๆก็ต้องนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบใจมันจะแยกออกจากร่างกายให้เห็นชัดๆเลยจะเห็นอย่างว่าไม่สงสัยเลยตอนนี้ยังเป็นเถือสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าหนูไปนั่งสมาธิปั๊เนี่ยจิตรวมจิตมันจะแยกออกจากร่างกาย พอยากนางทีมันจะไม่ไม่สงสัยมันไม่ต้องคาดคะเนมันเห็นชัดๆเลยว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายหายไปใจยังอยู่มันจะเห็นตอนตอนที่เรานั่งสมาธินี่เราปล่อยร่างกายเราถอนใจถอนกระแสใจเราออกจากร่างกายชั่วขา่าวเหมือนถอนปลั๊กถอดปลั๊กออกพอถอดปลั๊กออกปลั๊กไฟก็ดับใช่ไหมไฟดับแต่หลอดไฟยังอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นเราถอด ใจออกจากร่างกายร่างกายหายไปเราไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วแต่ใจเรายังอยู่ตัวรู้รยังอยู่งั้ต้องฝึกสมาธิกันถึงจะถึงจะปล่อยได้อย่างเต็มที่ถึงจะรับความจริงได้อย่างเต็มที่ตอนนี้มันยังเป็นลักษณะสิทธปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอยู่ขาสมาธิกันลองเราฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆฝึกสติไปทั้งวันพุโทโธพุโทโธไป เราคิดว่าตายตายก็ได้ถ้าเราชอบความตายก็คิดอยู่กัความตายอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดถึงอะไรทุกคนตายเห็นใครก็ตายคนนี้ก็ตายคนนั้นก็ตายตายตายตา ย, ตายเขาตายเราตายแล้วมีเราว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปถ้าใจเราไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็รวมได้สงบปั๊บทีนี้มันจะมีกําลังแล้วเทนี้ออกมาเห็นความตายของใครของเราของเขามันจะไม่กลัวะ นะต้องมาฝึกสมาธิกัน <Okay. S 1> มีอะไรไหมพยา mm hmm. นะยามทำหนูคิดถูกแล้วเนี่ยพ่อหายวันนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับไปใหม่นะ mm hmm. มันก็เป็นเหมือนชกมวยยกนี้เราชนะเขาเราก็เลยอยังอยู่ต่อเดี๋ยวมันก็มียกต่อไปมันต้องชนะเราในที่สุด mm hmm. ใช่ไอมถึงเมื่อกี้บอกตอนเริ่มต้อนว่าความตายนี่มันแน่นอน แต่ว่ามันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นที่มันไม่แน่นอนอมันอาจจะตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้อาจจะตายสิบปีข้างหน้าแต่มันต้องตายแน่ๆงั้นเราต้องคิดแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่กังวลไม่สงสัยไม่รังเล ว, ว่าเราจะตายหรือไม่ตายตายแน่แนๆคือ แ, แต่เมื่อไหร่เท่านั้นตอนนี้ก็เหมือนผ่อนส่งความตายไป mm hmm. <laughs> มีใครอยากจะถามยังไหม คุยกับใครอะค่ะคุยไม่ได้เลยค่ะอาจารย์มันจะปวดหัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวค่ะจะอยู่ได้ไม่ปวดก็แสดงว่าเราเบื่อคนเบื่อเรื่องราวต่างๆที่มันไร้สาระพูดไปแล้วมันทําให้ใจเราวุ่นวายไม่สงบก็พยายามอย่าไปคุกคีกับใครให้มากเกินไปคุกคีแล้วพบปะกับคนที่จําเป็นจะท่องพบปะ ถ้ามันจําเป็นก็ทักทายกันแล้วก็บายบายแยกกันไปมาอยู่กับความสงบดีกว่าแต่เราก็ยังต้องมีความจําเป็นจะต้องพบปะคนก็ต้องมีสัมพันธ์ทําไมตรีมีอธัธยาศัยถ้าจําต้องพบปะก็ทักทายคำสองคาพอเริ่มพูดยาวแล้วก็ขอตัวไปแยกตัวไป <c oughs> ตต้้ออองงงงยังงทําานก็สอนใจว่าของที่เราเจอนี่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราสั่งมันไม่ได้เจอคนดีคนไม่ดีค น, ดคนพูดปดคนพูดความจริงคนพูดเละเทคนนิสัยต่างๆเราไปเลือกไม่ได้เจอก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ทุก ปัญหาคือตอนนี้เราอยากจะให้ทุกคนเป็นคนดีหมดพอเจอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์เข้าใจไหมแก้ใจเราไงไม่ใช่ไปแก้คนอื่นทำใจเราว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฝนตกเราก็รับได้แดดออกเราก็รับได้เจอคนไม่ดีเราก็ต้องรับได้เจอคนดีเราก็รับได้เจอคนโง้คนฉลาดเจอคนหยิ่งง่อก็ต้องรับมันไปถ้าถ้าไม่จาเป็นถ้า ถ้าถอยได้ก็ถอยหลบได้ก็หลบถ้าถอยไม่ได้หลบไม่ได้ก็ทำใจพุโทโธพุโทโธให้เฉยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ <c oughs> ย่าเขาเข้าไปถ้าเราไม่คุยกับ <c oughs> เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาไป <c oughs> แต่อย่าไปทำอะไรที่ทําให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมกัน <c oughs> อย่าพูดไม่ดีอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเข า, าไปทำร้ายเขาปล่ <c oughs> อยให้เขา เป็นของเขาไปเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์นะ <c oughs> เขาจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่ศรีลังกาเป็นชาวศรีลังกาติดตามทางเฟซบุ๊กเนี่ยติดตามนี้ติด <c oughs> <c oughs> อ, อ๋อ ม, มันช้านะกว่าจะไปถึงเครื่องนะั้นมันต้องวิ่งไปรอบโลกก่อนเนี่ยถึงกลับมาเข้าเครื่อง สัญญามันต้องไปกันนะคำถามจากคุณปียพนอยากเรียนถามว่าถ้าไม่ได้บริกรรมพุทโธหรือคำภาวนาอื่นใดแต่พยายามทำจิตให้ว่างจากความคิดแทนอย่างนี้จะสามารถใช้แทนคำภาวนาได้หรือไม่คะถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้กลัวจะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดความคิดได้มันก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ เวลาโลภ ก, ก็หยุดมันได้เวลาโกรธก็หยุดมันได้เวลาทุกข์ก็หยุดมันได้คำ yeah. ถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งถ้าเราทำสิ่งใดเราก็อยากได้สิ่งนั้นเช่น <c oughs> ถ้าเราทำงานแล้วเราก็อยากได้เงินความอยากตรงในที่นี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับความอยากนี้มันก็มีอยู่ในสองระดับอยากด้วยเหตุผลกับอยากด้วย ด้วยด้วยอารมณนะ์ถ้าอยากด้วยเหตุผลนี้ยังไม่เป็นกิเลสเช่นเราอยากมีอาหารรับประทานนี้อย่างพระนี่ต้องไปบินถบาทเนี่ยก็ต้องอยากมีถึงเวลากินข้าวร่างกายต้องให้อาหารมันก็ต้องมีความอยากหาอาหารก็ไปหาอาหารมาแต่หามาพอให้มันอิ่มท้องก็พอนะแต่ถ้าหาแบบโลภอยากได้มากมหามาเพื่อเก็บไว้เยอะๆเผื่อวันข้างหน้าอย่างเงี้ยเข้ไมไอยาก พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระสะสมอาหารเนี่ยบินทบาทก็เอาแค่วันนั้นแะวันนั้นไปบินทบาทได้อะไรมาก็ฉันไปเหลือก็สละไปทำบุญทําทานไปถ้าอยากแบบนี้ไม่เรียกว่ากิเลสอยากด้วยเหตุผลเพราะร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่อยากได้ปัจจัยสี่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าอยากมีแฟนอยากไปเที่ยว อยากอะไรเงี้ยเรียก็มีนี่แหละเป็นกิเลสแหละแต่ถ้าอยากนั่งสมาธิอยากทําบุญ อ, อยากอยากไม่กลับมาเกิดนี้ไม่เป็นกิเลสนะครับคำถามจากคุณประสิทธิ์ใช้กรรมในอบายหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ทําไมเด็กบางคนเกิดมาพิการร่างกายอีกครับคือถ้าคนมาจากอบายนี่มันยังมีมีมีเชื้อของกรรมเก่าติดมาอยู่ จึงทามาให้ได้ร่างกายที่ไม่ดีพิกลพิการหูหนวกตาบอดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นผิวพรรณรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามไม่ผ่องใสอันนี้เป็นอนิสง์ของบาปที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจการที่มากลับเป็นม น, นุษย์นี้ไม่ได้ไหมายความว่าบาปนั้นหมดนะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นบาปกับบุญมันมีกาลังเท่ากัน บุญก็ไม่มีกำลังดึงไปสวรรค์บาป ก, ก็ไม่มีกำลังดึงไปอาบายช่วงนั้นใจมันก็อะไรห้าสิบห้าสิบระหว่างบุญกับบาปแต่บุญก็ยังมีอยู่บาปก็ยังมีอยู่ก็เลยต้องกลับมากลับมาเกิดแล้วเนื่องจากเหมือนกับคนที่ออกมาจากคุกออกมาจากคุกมันก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรติดตัวออกมาไม่เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวนี่เหมือนพวกคนที่ไปสวรรค์เนี่ย ไปท่องเที่ยวกลับมาก็มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆกลับมาติดตัวมาเพราะเวลาไปเที่ยวก็มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไปใส่ไปเที่ยวพอกลับมาเดินทางกลับมาลงจากสนามบินก็ยังมีกระเป๋าใบเบลื่อมมีเสื้อผ้ามีอณิสงของบุญที่เราทำไว้อยู่กลับมาคนที่กลับมาจากสวรรค์จริงมากจะกลับมามีวาสนามีบารมีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมี อายุยืนยาวนานผิวพันณผ่องใสมีทรัพย์สมบัติเงินทองเพราะบุญที่ทำไว้เป็นเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารกลับมาก็เบิกเงินที่ฝากไว้ต่อได้อีกจะต่างกันตรงนี้คำ ถ, ถามจากคุณทรงศักกิเลสความต้องการความอยากล้วนเกิดจากการที่ใจของเราเข้าไปยึดติดหลงในสิ่งต่าง หนทางที่จะทำให้สงบคือจเจริญสติรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจทำไปอยู่ตลอดเวลาที่ทำได้แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องขั้นต้นนี้ก็ต้องหยุดความคิดทำใจให้สงบให้ได้ใจสงบแล้วหลังจากนั้นเวลาเกิดความอยากก็เอาความสงบนี้มาสู้กับความอยากอยาทํความทตามความอยากเพราะความอยากจะนำให้เราต้อง มาพึ่งร่างกายทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าเราเลิกความอยากได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตา ย, ยต่อไปคาถามจากคุณเบ็เตอร์ภาวนาพุโทโธจนไม่เหลือร่างกายมีแต่ลมหายใจแต่จิตก็ยังไม่สงบต้องปฏิบัติแบบไหนต่อคะก็ดูต่อไปดูลมไปเรื่อยๆ จนการลมมันจะวูบลงไปจิตจะวูบลงไปแล้วปล่อยลมลมหายไปแล้วใจนิ่งสง บ, บมีความสุขอันนั้นแหะก็จะถึงสมาธิต้องให้มันนิ่งให้มันหยุดมันจะอยู่เฉยๆตอนนั้นความคิดหายไปหมดไม่ต้องควบคุมไม่ต้องใช้ลมควบคุมลมก็หายความคิดก็หายเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่มหัศจรรย์ใจ ถ้ายัางไม่เจอคําสุขมจาจัดจย์ใจอยู่นี่เรียกว่ายังไม่ถึงสมาธิคำถามจากคุณอ้อค่ะชะตาชีวิตเราถูกกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าคะพระอาจารย์กำหนดให้ยากดีมีจนตามกรรมตามบุญที่เราได้เคยสร้างไว้ค่ะส่วนหนึ่งก็ถูกกำหนดไว้แล้วทำบุญมามันก็มีผลของบุญรอเราอยู่ทำบาปมามันก็มีผลบาปรอเราอยู่ แต่เราก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเปลี่ยนทิศทางได้ถ้าเราอยากต้องการไปทิศทางทางบุญเราก็มาทําบุญทําทานกันใหม่ถ้าเราอยากจะไปทิศทางบาปเราก็มาทําบาปกันใหม่อันนี้นั้นอัน น, นี้เรายังเปลี่ยนได้คือการกระทาที่เรายังทําอยู่ทุกวันนี้เราสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเลว ล, ลงได้นอกจาก วิบากของเราที่เราได้ทำมาใ น, ในอดีตจะมีส่วนหนึ่งให้กับให้ผลกับเราแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้เราโชคดีเรามาเจอพระพุทธศาสนาที่พทธเจ้าสอนว่าให้เราลาบาป ก, กันให้เราทำบุญกันให้เราชำระใจให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นการเป็นการสร้างวิบากใหม่ที่จะทำให้วิบากเก่านี้ไม่มีปัญหา ถ้าเป็นบาปถ้าเราไม่ทําบาปต่อไปบาปมันก็จะหมดไปถ้าเราทําบุญบุญก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราชําระใจกิเลส ข, ของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็พอสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอี ก, อกต่อไปนั้นเรายังทําอะไรได้เยอะแยะไม่ใช่ว่าต้องรอให้แต่บิบากของบุญของบาปมา จัดการกับเราอันนั้นก็มีส่วนแต่เราสามารถทริคมันได้เช่นเราได้วิบากไม่ดีเกิดมาหน้าตาไม่สวยงามไม่เป็นไรไม่สวยงามขอมาตั้งใจเรียนหนังสือมาทําความดีเดี๋ยวความสวยงามทางจิตใจมันก็ชนะใจของคนอื่นยิ่งกว่าความสวยงามทางร่างกายทางตรงกันข้ามคนที่มาเกิดสวยงามทางร่างกายก็หลงละเริงแทนที่จะมาสร้างความดีทางจิตใจกับทําตัวเละเทะพูดจาหยาบคาย พูดปวดมดเท็ดบีกิริยาม า, ายาไม่ดีความสวยงามของร่างกายก็ไม่มีกําลังที่จะมาทําดึงดูดใจคนได้เมื่อความไม่สวยงามของใจมันเรากําลังทํามันอยู่ในขณะนี้งนั้นมันยังเรายังมีส่วนที่เรายังทําได้อยู่นอกจากต้องมารับวิบวัวิบากของผลที่เราทําแล้วเราก็สามารถมาสร้างวิบากใหม่ที่ดีขึ้นกว่าวิบากเก่าได้คําถามจากคุณปานิสาค่ะ พะบวชใหม่ขอย้ายไปจำพรรษ า, าที่วัดใหม่ได้ไหมคะในพรรษาเหตุที่ต้องขอย้ายวัดเพราะที่วัดเดิมไม่สอนด้านการปฏิบัติเลยค่ะว่าไปถามวัดที่บวชเซมมาถามเราได้ไงอก่อนจะบวชทำไมไม่ไปดูเขาก่อนว่าเขาเขาอยู่กันยังไงเกิดกันยังไงเหมือนการเรียนหนังสือไม่ไปดูโรงเรียนเลยว่าโรงเรียนเขาสอนวิชาอะไรบ้างนึกอยากจะสมัครก็สมัครเลยแล้วพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมผิดหวัง ง่าถ้าเขาขอขอ ย, าย้อยายก็ไม่ย้ายก็ศึกเลยศึกแล้วก็ไปบวชใหม่ก็เท่านั้นเองสมายนี้ศึกง่ายบวชง่ายอจะตายเลยคําถามจากคุณธัญารัม <c oughs> จําเป็นไหมคะที่ต้องนั่งสมาธิตีหนึ่งตีสองเขาบอกว่าจะได้บุญเวลากลางวันต้องค้าขายคะ่ะเขาบอกว่าต้องนั่งสมาธิเวลาตีหนึ่งถึงจะได้บุญมากคะ่ะเออคือเวลาดึกนี่มันเงียบไงคนหนุ่มก็นอนหลับไม่มีเสียงรบกวน มันก็จะทำให้บรรยากาศมันสงบทำให้นั่งสมาธิแล้วมันสงบง่ายถ้านั่งตอนทุ่มสองทุ่งก็ยังเปิดทีวีอยู่ยังร้องลําทำเพลงอยู่นี่นั่งไปพูดโทไปพูดโทรไปเสียงเพลงมันก็เข้ามานี่นั่งไงมันก็ไม่สงบเพราะใจมันจะไปหาหาเพลงอยู่เลยแต่พอนั่งดึกดึกตีหนึ่งตีสองนี่คนนอนหลับไปหมดแล้วมีแต่เสียงคลอกคลอกคลอกนี้ก็นั่งสมาธิก็จะสงบง่ายกว่า ถามจากคุณผักโขมขอคําแนะนําเจ้าค่ะควรจะจับกำจัดนิวณรษาอย่างไรเจ้าคะมันเกิดขึ้นก็ต้องกําจัดมันไปถ้าสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่านประวัติของพระอริยสงสาวก อ, อยู่เรื่อยถ้าขี้เกียจอ่านก็มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ ฟังบ่อยๆเข้ามันก็จะหายสงสัยเอง <c oughs> ถ้าสงสัยถ้ามีความอยากในการมาฉันท้ท่าได้มาถือศีลแปดกันถ้ายังอยากดูหนังฟังเพลงอยากอยากกินอ ย, กอยากดื่มอยู่ก็ามาถือศีลแปดกันมันก็จะช่วยกำจัดนิวรณ์ได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> ถ้ามีความโกรธก็ให้แผ่เมตตาให้อภัยใครเขาทำอะไรเราก็ถือว่ามันผ่านไปแล้ว ชามมันแตกแล้วจะไปไปตีหัวเขามันก็ไม่ได้ชามใหม่กลับมาอยู่ดีก็คิดว่าเป็นวิบากของเราที่ต้องมาเจอคนแบบนี้มาทำร้ายเรามาพูดอะไรไม่ดีกับเราแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมอีกต่อไปเรามจะไม่ตอบโต้พอเราให้อภัยได้ใจเราก็หายร้อนใจเราก็สงบก็จะนั่งสมาธิต่อได้ถ้ามีอาการง่วงนอนก็ให้ลดกินข้าวถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นแล้วยังง่วงอยู่ก็ กินครึ่งเดียวถ้ากินสองมื้อก็ลดเหลือมื้อเดียวถ้ากินมื้อเดียวยังง่วงก็ลดกินสองจานก็ลดเหลือจานเดียวลดปริมาณการอาหารลงไปถ้ากินจานเดียวยังง่วงอยู่ก็อย่าไปกินเลยกินแต่น้ํากินของเหลวเดื่มของเหลวดื่มนมไปอย่างนี้มันก็จะทําให้การง่วงนอนนี้หายไปได้ความเกลียดข้านหายไปได้ข้อสุดท้ายมีอะไรไหมความฟุ้งซ่าน ใจชอบคิดก็ต้องใช้พุทธโธหยุดมันยิง่งยิ่งคิดยิ่งปล่อยมันคิดมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธไปสวดมนต์ไปแล้วความฟุ้งซ่านก็จะหายไปนี่คือนิวรณิวรณ์แปลว่าอุปสร ร, รคในการทําใจให้สงบมีอยู่ห้าข้อความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าจริงหรือเปล่านั่งสมาธิเราจะสงบจริงอย่างที่เขาพระพุทธเจ้าพูดหรือเปล่พาพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือใครก็แต่งเป็นนิยายมาหลอกเรา นี่คือความสงสัยก็ต้องมาศึกษาประวัติศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนแล้วก็จะหายสงสัยว่ามีจริงนี่คือความสงสัยแต่ความอยากในการการมาฉันทะอยากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็มาถือศีล8สํ 8. สำรวนเ c ็มซีสำรวนตาหูจมูกบิ้นกายอย่าไปดูอยาไปฟังถือศีล8ถ้าโกรธก็ถัดแผ่เมตตา อย่าไปแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวต้องแผ่ตอนที่เราโกรธเวลาใครก็ด่าเรารีบสาธุสาธุเลยนะตอนนั้น เ, เป็นเวลาแผ่ไม่ใช่เวลาสวดบ่นไหว้พระเสร็จก็แผลเมตตาตอนนั้นไม่รู้จะแผ่ให้ใคร<ม>ยังไม่มีปัญหาแผลตอนที่มีปัญหาตอนที่ใครเขาด่าเราใครเขาตําหนิเราเนี่ยพอได้ยินว่าเขาว่าเรานี่โกรธขึ้นมาทันทีก็รีบสาธุเลยช่างหัวมันมันจะว่าก็ห้ามมันไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตา คำถามจากคุณชนะตนช่วงวันหยุดยาวกับวันหยุดสั้นไปภาวนาที่วัดป่าอย่างเดียวใจสงบก็ไม่คิดอะไรอยู่ได้ทั้งวันแต่จิตยังไม่รวมยังต้องเจริญสติต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ยังกําลังยังไม่เต็มที่ยังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันยังพยายามดันให้เราออกมาอยู่เนี่ยเวลาเราทำสมาธิเวลาเจริญสตินี้ก็เราก็สู้กับกิเลส กิเลสมันจะช อ, ชอบผักดันให้เราไปคิดทางรูปเสียงกดลดิ่นรสเราก็พุโทโธพุโทโธเพื่อจะดึงให้มันออกจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆจากเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเรายังดึงเข้าไปไม่ถึงถึงฐานของจิตก็แสดงว่ากิเลสมันยังมีกําลังอยู่ก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นไปเรื่อยข้อที่2ตอนอยู่วัดไม่เปิดโทรศัพท์เลยก็ทําได้ แต่พอกลับมาทํางานทางโลกต้องดูทุกสามแบบพีเลยเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะเราปล่อยกิเลสเราไม่ยอมควบคุมมันเลยเพอออกมาปั๊บก็เลยมีกิเลสมันมีข้ออ้างว่าจะต้องติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้มันก็เลยเปิดเปิดแล้วก็ไม่มีสติคอยใช้เหตุผลว่าใช้แต่เฉพาะจําเป็นสิถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้มันคําถามจากคุณเกษรา เราเป็นผู้หญิงแล้วไปนวดพระได้หรือไม่เจ้าคะเพราะมีคนเขาบอกว่านวดได้ลูกไม่เข้าใจค่ะเขอบอกว่าเป็นพระอรหันเจ้าค่ะอ๋อไม่ควรหรอกเพราะว่าพระกับผู้หญิงนี่ไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันถึงแม้จะเป็นพระอรหันก็ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่แม่ลูกกันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เป็นพระอรหันหรือเป็นอะไรเลยจริงอยู่ถ้าเป็นพระอรหันนี่ถ้าใครมาแตะต้องตัวท่านท่านไม่มีอารมณ์ด้วย ยกตัวอย่างนิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งกับลูกศิษย์พระบวชใหม่ไปรับกินนิมนต์ขากลับต้องเดินกลับวัดวัดมีลําห้วยลาําธารต้องเดินข้ามลําห้วยลาําธารช่วงนั้นฝนหลากฝนตกเยอะลําห้วยมันแดงมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างลําห้วยตั้งหน้ า, นาตาซึมเศร้าหลวงตาเห็นเข้ า, าถามว่าเป็นยังไงถึงนั่งนั่งซึมเศร้าอยู่นี้ รอรอนุอยากจะกลับบ้านแต่ต้องเดินข้ามลุยน้ําข้ามลำพุ้ยกลั ว, วเดี๋ยวจะล้มน้ํามันแรงหลวงตาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงตาจะช่วยแลท่านก็หยิบร่างอุ้มร่างกายหญิงชรานั้นเดินข้ามภาคไปวางเสร็จอถึงเสร็จท่านก็วางแล้วท่านก็เดินไปวัดต่อลูกศิษย์พระรูปบวชใหม่เพิ่งเรียนเรียนพระธรรมวินัยใหม่รู้ว่าพระนี้แต่ต้องตัวผู้หญิงไม่ได้นะมัแต่หลวงตาเราทำไมไปอุ้มเลย ก็เลยนั่งหดเดินหดเหยียดลำคาญใจเดินตามหนูตาไปจนถึงถึงวัดพอถึงวัดก็เลยอดทนไม่ไหวเลยต้องถามหนูตาเมื่อกี้หนูตาไปจับต้องผู้หญิงมันผิดพระวินัยไม่ใช่เลยหนูตาบอกกูปล่อยมันตั้งแต่อยู่ที่ลำทางแล้วลำห้อยแล้วมึงยังไม่ปล่อยเลยนึงยังแบบอยู่เลยนั่นแหละพระอาหันต์ท่านทำอย่างนั้นท่านไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ท่านทาด้วยเหตุด้วยผล พอทำเสร็จท่านก็ปล่อยแล้วถ้าเป็นพระที่มีกเกลยก็เนื้ อ, เ น, อ, เ, นอเนื้อเท่านี้นิ่งนักเกินอย่างง่น้นอย่างนี้ขึ้นมาคำถามจากคุณรุ่งการที่จะได้สมาธิหรือจิตรวมจำเป็นต้องผ่านทุกเวทนาใหญ่ทุกคนหรือเปล่าคะไม่จำเป็นหรอกบางคนสติดีๆพุทโธห้านาทีก็รวมได้แต่ถ้าผ่านแบบผ่านทุ ก, กเวทนานี่มันจะรวมได้นานกว่าได้นิ่งกว่าได้หนักได้ดีกว่า เพราะมันจะต้องรวมมันรวมด้วยปัญญามันใช้ปัญญาแล้วมันจะทําให้ไม่กลัวความเจ็บด้วยแต่คนที่รวมด้วยพุทโธพุทโธนี้ยังกลัวความเจ็บอยู่ต่อไปเวลาเจอความเจ็บมันก็ต้องใช้พุทโธพุทโธช่วยแต่คนที่รวมด้วยปัญญานี้จะไม่กลัวความเจ็บไม่ต้องรวมก็ได้อยู่กับความเจ็บได้ปล่อยวางความเจ็บได้คำถามจากคุณขวัญเวลาเจอคนที่ชอบ มาเอาเปรียบเราเราควรจะทำอย่างไรคะก็คิดว่าใช้นี่เขาไปเขาแล้วกันชาติก่อนเราเคยเอาเปรียบเขาชาตินี้เขาก็เลยมาเอาเปรียบเราคำถามจากคุณเพียวขอพระเมตขอพระอาจารย์เมตตาชี้แจงถึงอาการที่เมื่อเราปฏิบัติทำเข้าสมาธิแล้วบางคนร้องไห้คืออะไรคะก็ว่าปิติไ ง, ไงน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่ร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจ เป็นการน้ําตาของความสุขใจเป็นั่งสมาธิจิตจะสงบจะมีความสุขจะมีปิติขึ้นมาบางคนก็ขนลุกซ่าบางคนก็น้ําตาไหลอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ไม่มีแล้วแต่จเิตนิสัยของแต่ละคนบางคนจิตเข้มแข็งจิตก็เฉยเฉยจะไม่มีอารมณ์ปิติไม่มีอะไรอย่งนั้นแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกัน <Evet. S 2> ก็ไม่ต้องกังวล ขอให้มันรวมแล้วเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนั้นแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งอันนั้ น, เ ป, นเป็นผลที่เราต้องการถ้ายัางไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าน้ําตาไหลแล้วอย่าเพิ่งหยุดพุดโทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อหรืออาจจะไม่ตกหลุมตกบ่อก็แล้วอาจจะตกเบาๆแล้วก็นิ่งไปสงบไปแล้ววางเฉยได้ใจเป็นอุเบกขา ถึงแม้จะ้จะถึงแม้ยังจะรับรู้ความเจ็บทางร่างกายแต่ใจไม่สนใจใจไม่เดือดร้อนได้ยินเสียงใจก็ไม่ลำคานอย่างเเรียกว่าใจเป็นอุเบกขาแล้วคำถามจากคุณสีดาขอคำแนะนำสาหรับผู้ที่ต้องคลองเรือทํามาหากินให้อยู่ในธรรมค่ะก็ถือศีลห้าไงผู้ที่คลองเรือนี้ต้องมีศีลห้าแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย จะมีความสุขกับครอบครัวศิลข้อสามนี่สําคัญสําหรับคนที่มีครอบครัวกับศิลข้อสต้องไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ต้องไม่โกหกหลอกลวงกันซื่อสัตว์รักกันคนที่จะอยู่ร่วมกันครอบครัวอย่างมีความสุขนี้ท่านบอกต้องมีคุณสมบัติอยู่สข้อด้วยกันมีจาคะคือความเสียสละอย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวต้องเสียด้วยเพราะเราอยู่ด้วยกัน แต่เราต้องเสียเขาก็ต้องเสียต่างคนช่วยกันไม่ใช่แต่จะเอาอย่างเดียวถ้าจะเอาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเขาให้เราไม่ไหวหรอกไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเบื่อเราแต่ถ้าเขาให้เราเราให้เขาแบ่งกันไปแบ่งกันมามันก็จะทำให้มีความสุขด้วยกันนั้นต้องมีจาคะอาณเสียสละมีสัจจะความจริงใจต่อการซื่อสัตย์ต่อกันไม่หลอกลวงกันไม่โกหกหลอกลวงกัน มีความเชื่อใจว่าทุกอย่างที่สามีภรรยาพูดนี้เป็นความจริงทั้งนั้นมันก็จะทําให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะชีวิตมันไม่ใช่โดยด้วยเปลอปกเปลอกกระลาบบางทีมันก็มีปัญหามีเหตุการณ์มีความทุกข์ยากลาบากก็ต้องกัดฟันทนช่วยกันไม่ใช่พอเจอความทุกข์ยากลําบากก็ทิ้งกันเลยอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่มีความอดทนมันก็จะทิ้งกัน อีกข้อก็คือความอดกัน้นเวลามีความอารมณ์ไม่ดีมีความกดหงิดรำคาญใจก็อย่าเอาระบายออกมาอย่ามาพูดอย่ามาทําเวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีรีบไปสงบสติอารมณ์ก่อนก่อนที่จะมาพบปะกันก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องมาพูดอะไรกันถ้ามีอารมณ์ไม่ดีขอตัวไปไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าถ้าพูดตอนที่อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกัน<ม> ก, ก่การเกลียดกันขึ้นม ว <c oughs> ่าคุณจันทการ <c oughs> เพลงที่มีเนื้อหาธรรมคนที่ถือสีแปดฟังได้ไหมคะไม่ได้หรอกเป็นเพลงถึงแม้จะเป็นเนื้อหาธรรมก็ตามไม่ควรฟังเอาเนื้อหาธรรมอย่างเดียวถอดเนื้อหาออกมาแล้วก็อ่านเหมือนก็ได้เอไม่ต้องไปฟังมันกิเลสมันชอบหลอกเราด้วยชอบหาเขาะหาช่องโหว่ก็เรื่องช่องโหว่หรือเลยงบาหลีเขายังนี่เขาเรียกวเรียงบาหลี ฉันฟังธรรมจะไม่ได้ฟังเพลงแต่มันมีเพลงติดมันด้วยคำถามจากคุณจันฟาความทุกข์เกิดจากความอยากส่วนความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมครับดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อหยุดความคิดใช่ไหมครับใช่ความคิดที่เกิดจากความหลงอีกทีหนึ่งความคิดความคิดเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงความหลงคิดว่าถ้าคิดได้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีความสุข ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความทุกข์กันเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอันนี้เรามองไม่เห็นกันเราคิดว่าได้ลมาแล้วจะต้องเที่ยงจะต้องอยู่ของเราเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เที่ยงพอมันตายไปนี้ก็ร้องโหมร้องไห้กันเะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นความทุกข์เราก็จะไม่คิดอยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความอยากเพฉะนั้นต้องฝึกดูทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา เวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราทุกข์เอ<ม>็นชั่ อ, อยากมีมันดีกว่ามไม่มีแล้วก็ไม่ทุกข์มีอะไรก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเพราะเราเราจะต้องเสียมันไปวันใดวันหนึ่งคำถามจากคุณสวนสมาธิความตั้งมั่นในจิตหากจิตตั้งมั่นในธรรม คือเราพิจารณาธรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนถือว่าอยู่ในสมาธิทางพุทธทัศนาได้หรือเปล่าครับยังถือว่าไม่ไม่ได้เป็นสามาธิที่ <c oughs> ที่สงบเลยสมาธินี่หมายถึงสงบไม่มีความคิดเลยแม้ว่าจะคิดในธรรมหรือคิดในทางไหนก็ตามถ้ายังคิดอยู่นี้ยังเรีไม่เรียวกว่าเป็นสมาธิยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิยังไม่เป็นสัมมาสมาธิ หรือแม้แต่สมาธิที่เข้าไปแล้วไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปไปท่องเที่ยวในนรกสวรรค์ไปไปพบกับเทวดาไปอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสมาสมาธิสมาสมาธิอย่างที่บอกต้องนิ่งต้องเป็นอุเบกขาต้องสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งอันนั้นเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะสมาธิอันนี้จะมีกาลังทาให้เราฆ่ากิเลสได้ ถ้าสมาธิแบบอื่นจะไม่มีกําลังพออย่างโยงมนี่มีเคยคิดเรื่องทางธรรมะอยู่ตลอดเวลาเรื่องความตาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังข้ามมันไม่ได้ถ้ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิ <Yeah. S 1> คิดธรรมะไปทั้งวันก็ตามวันก็ยังปล่อยไม่ได้ตรงไม่ได้การคิดนี้ว่าคิดเพื่อไม่ให้เราลืมเท่านั้นเองเข้าใจไหมไม่ให้ลืมความจริงแต่การจะปล่อยนี่ต้องมีสมาธิถึงจะปล่อยได้ <c oughs> ถามจากคุณนิลันดอนภาวนาดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกับภาวนาพุโทโธสติยังชอบเผลอครับใช้นึกแต่พุโทโธพุโทโธในใจอย่างเดียวได้ไหมครับได้ยังเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้เอาลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่อันไหนที่จะทำให้เราสงบก็ใช้ได้คำถามจากคุณจินขณะนั่งเจริญสติจิตก็พุโทโธขณะดูลมเข้าออกจนเบาสบาย แต่ขณะเดียวกันก็ระลึกถึงการนั่งกายตรงโยมนั่งได้นานขึ้นเมื่อออกจากการภาวนาใจสงบเบากายไม่ค่อยเกิดเวทนาปวดขาแบบนี้โยมทำถูกหรือไม่คะถูกแต่ยังไม่ถูกเต็มที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบเต็มที่จิตไม่รวมต้องให้มันรวมให้ได้ต้องพุโทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปขยับร่างกายเวลานั่งเราอย่าไปเปลี่ยนท่าอย่าไปขยับร่างกาย ้พอดั้งแล้วก็ทิ้มร่างกายเลยไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับพอ่พอภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวคาถามจากคุณ ล, ะะลัทธเลกคาว่าจิตรวมจำเป็นหมายว่าต้องไม่ได้ยินเสียงเสมอถึงจะเรียกว่ารวม อ, อ่รวมสองแบบรวมแบบร่างกายหายไปไม่ได้ยินอะไรเลยกับรวมแบบยังไม่หายยังได้ยินเสียงยังรู้สึกร่างกายอยู่แต่ใจไม่ลาคาญกับเสียงนึง่ง อะไรที่เกิดมาสัมผัสกับร่างกายมันจะเฉยเฉยเป็นออเบคาคาถามจากคุณโสริยา <c oughs> สวดมนต์อิติปิโสร้อยแปดสามารถช่วยเราในการปฏิบัติได้ไหมครับได้เพราะเป็นการจเจรินสติไงถ้าเราสวดแล้วเราเร า, เราไม่ไปคิดด้วยนะต้องสวดอย่างเดียวใจเราก็จะเย็นจะสบายจะนิ่งในระดับหนึ่งแต่ยังไม่รวมจะไม่ฟุ้งซ่าน แก้วิธีฟุ้งซ่านด้วยการสวดมนต์ไปร้อยแปดจบนี่หายฟุ้งคำถามจากคุณจิ้งจบทำข้อใดบ้างครับที่สามารถบรรเทาอาการที่โดนแฟนทิ้งครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายแบบไม่รู้จะใช้แบบไหนดีใช้พุดโทก็ได้อย่าไปคิดถึงแฟนคิดแล้วก็จะทุกข์วิธีง่ายที่สุดก็พุดโทพุดโทไป ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็คิดถึงตับตายใส้พุงของแฟนบ้างคิดถึงเวลาแฟนดาวบ้างคิดถึงเวลาแฟนงอนบ้ง <c oughs> างหมดแล้วคนะ่ะหมดลนะพักเดียวยังเหลยสักห้าหกนาทีมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะอาจารย์คะต อ, อนออออออออที่อยู่ที่บ้านนะคะเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ มันจะรู้ว่าขับรถอย่างเดียวแต่ว่ามันทางอย่างทางที่เคยชียร์นะคะมันจะมันจะจำไม่ได้ว่าว่าจะไปไหนมันมันจะหายไปเลยอะค่ะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาขับรถบ่อยอันนี้เราขาดสติด้วยยังไงคะหรือขาดสติหรือความจำเสื่อมหรือใจเราไม่ไปคิดถึงทางที่เราจะไปก็ได้หยุดพอมันหยุดคิดมันก็เหมือนกับจาไม่ได้ แต่ถ้าเราอยู่กับการขับรถอย่างเดียวบางทีแล้วก็อาจจะลืมไปว่าเราจะไปไหนก็ได้มันแต่มันมีรู้สึกตัวว่ากําลังขับรถอยู่เปล่าอยู่ ก, กับการขับรถอย่างเดียวอย่างงี้ก็สติยังมีอยู่แต่มไม่ได้คิดว่าจะไปไหนมันแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วบางทีจะขับกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะแบบพยายามดึงความคิดจะไปไหนแล้วมันจะปวดหัวอ่ะแล้วเราต้องทอํายังไงคะเวลา เวลามันรู้อยู่แต่ว่าขับรถอย่งดียวก็เวลาจะไปไหนก็ลองเขียนกระดาษไว้ในกระดาษก็ได <thôi Wars. S 2> ้เผื่อบางทีลืมจะได้หย <risky. S 1> ิบกระดาษขึ้นมาดูอาจจะมีผลทางด้านความจําก็ได้ความจําอาจจะไม่ดีพอขับไปแล้วไม่รู้จะไปไหนก็หยิบป้ายขึ้นมาดูที่เราเขียนว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่แล้วเราก็ไปต่อได้ เรื่องอาการปวดหัวมันอาจจะเกิดเพราะเราใบบังคับให้มันคิดเนมะมันไม่อยากจะคิดมันก็เลยปวดหัวขึ้นมาเวลาที่จะต้งคิดมีอีกไม้มคำถามจากคุณหัดไทยรัฐนั่งสมาธิกำหนดพุทโธจนจิตสงบจิตไม่รับรู้กายมีแต่จิตรู้จิตอย่างเดียวพอจิตคลายออกมา จิตจึงรับรู้กายเรียกว่าจิตเข้าสู่สมาธิระดับไหนคะ อ, อระดับนั้นแหละมันไม่มีชื่อหรอก <c oughs> สันติโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าอยู่ในระดับไหนมันไม่มีไม่มีเครื่องวัดเหมือนกับรถยนต์วิ่งเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่ไม่สำคัญขอให้สำคัญว่ามันสงบแล้วเราสบายก็ใช้ได้คนะคาถามจากคุณธนทริง ถ้าใจยังไม่สงบภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องสวดมนต์ได้ไหมครับได้ได้ภาวนากับสวดมนต์ก็เหมือนกันนะแต่สวดมนต์นี่มันจะยากกว่าการภาวนาภาวนาจะทําให้ใจสงบละเอียดมากกว่าคำถามจากคุณสวนจิตเคยรวมครั้งเดียวในท่านอนเมื่อเจ็ดปีก่อนขณะนั้นมีสติตลอดขณะนอนจนถึงเช้าถือว่าเป็นเอกคะาตาไหมครับ หลังจากนั้นจิตชอบพิจารณาธรรมคือหมุนพิจารณาสิ่งต่างๆเสมอถือว่าถูกต้องไหมครับก็ถูกครึ่งยังไงพิจารณาธรรมก็สำคัญแต่ต้องทำให้จิตรวมบ่อยๆก็สำคัญต้องสลับกันทำเวลาหนึ่งก็ทำจิตให้รวมแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ค่อยมาพิจารณาธรรมสลับกันไปอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำทั้งสองอย่างสลับกัน เพราะเราต้องอาศัยทั้งสมาธิทั้งปัญญาในการใช้เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเหมือนกับเราต้องอาศัยแขนซ้ายแขนขวามือซ้ายมือขวาเวลาทําอะไรถ้าเราทํามือเดียวมันก็จะทําให้สะดวกเนี่ยเราต้องใช้ทั้งมือซ้ายมือขวาทํากับข้าวกินข้าวทําอะไรนี่ต้องใช้สองมือจะฆ่ากิเลกก็ต้องมีสองสองมือมีทั้งสติมีทั้งปมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาดังนั้นต้อง ตอนต้องก็ทาสร้างขึ้นมาทีละตัวก่อนตอนต้องก็สร้างสมาธิขึ้นมาก่อนพอได้สมาธิแล้วก็มาสร้างปัญญาต่อพอมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็สามารถที่จะมาใช้ฆ่ากิเลสได้เลยหมดแล้ยังอีกหนึ่งคำอคําถามสุดท้ายคาถามจากคุณปัทมาคณพูดโธไปสักพักก็ไปจับดูลมเห็นลมทางเบามากเจ้าผักสักพักโยมรู้สึกตกใจสงสยัย แต่คําของพระอาจารย์ก็เข้ามาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ให้รู้เฉยๆโยมก็ทําตามก็ลั่งตอบไปได้อย่างนี้คือหลุดจากสมาธิไหมคะแล้วทาอย่างไรต่ออ๋อไม่หลุดก็ให้รู้เฉยๆต่อไปให้ดูไปเรื่อยๆให้สักแต่ว่ารู้ถ้าไม่มีลมให้รู้ไม่ก็ไม่มีลมให้ดูให้รู้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้อยู่กับความว่าขอให้รู้ว่าเราไม่คิดแล้วเราเราสงบเราสบายก็ใกล้เป็นรู้อย่างนั้นไปนานๆ